ข้าพเจ้าพระภยัยบูรณาพิปุนโนจากวัดป่าอนายโสมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่แล้วที่จะต้องนําสิ่งที่ได้ฟังมาให้ได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้จำแจ้งเป็นหน้าที่ที่สํานักจะต้องมีต่อเครื่ัดในการแสดงธรรมนี้ก็มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้าฐทานมีพรุทเจ้าเป็นผู้ที่บอกสอนคําสอนตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่แสดงตามสแสดงธรรมก็คือแสดงคําสอนสแสดงคําสอนที่ใครสอนเอาไว้ธนระรมะคือคําสอนธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคําสอนของพระุทธเจ้าที่พรุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไวนะ้การสอนตรงนี้เราเอาคําสอนนี้มาสแสดงต่อ แล้วในการกระทําตรงนี้ก็ต้องทําด้วยระเบียบขั้นตอนวิธีการเมื่อวานนี้จึงได้นําเรื่องราวของการเกี่ยวกับการแสดงธรรมมาให้ท่านฟังได้ฟังคือการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายการแสดงธรรมไม่ใช่ของง่ายผู้ชา่รปลารบเรื่องนี้น่จากการที่ท่านพระอา น, นุนเอาข่าวมาเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านพระอ น, นุนได้สังเกตเห็นท่านพระอุตายี กําลังแสดงทำอยู่ในหมู่คณหัดอยู่นะพอพระุูชาว่าทราบเรื่องนี้จากท่านพระนนทนะก็เลยปราลบพระสูตรนี้ขึ้นท่านพระอุทานีนี้เป็นใครนะตามที่ข้าพเจ้าคาดดนะูเพราะว่าก็มีอุทานีอยู่หลายคนในในสมัยก่อนนูนในสมัยพุทธกาลแต่คิดว่าน่าจะเป็นรูปเดียวกันกันกบที่ทําเรื่องเสียหายไว้หลายอย่างเช่นผิดพระวินยัยในข้อสังกาทิเศษ หรือว่ายัางทําเรื่องการแสวงหาปัจจัย4อย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องพอท่านพระอานอนทมารายงานให้พระเาทราพบพระเจ้าก็จึงปราลบพระสุดนี้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงธรรมว่าการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายตัวข้าพเจ้าเองมาทําหน้าที่ในการบอกต่อคําสอนนี้มาทําหน้าที่ในการบอกต่อคําสอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราทำํทำทาพลาดเราทําไม่ถูกจึงขออาศัยช่วงเวลา ในวันนี้แหละเป็นการที่จะประกาศความผิดของตัวเองในโดยการนําเรื่องที่พระเจ้าสอนไว้เกี่ยวกับการแสดงธรรมเนี่ยมาให้ท่านฟังฝังถ้าข้าพเจ้ามีความผิดพลาดตรงไหนที่มันไม่เหมือนกับที่ได้ให้ท่านฟังฝังเมื่อวานนี้นคือเมื่อวานนี้เนี่ยได้นําเรื่องเกี่ยวกับองค์ของความที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังะมี5อย่า ง, างหรือว่าการแสดงแบบไหนที่เป็นการแสดงที่บริสุทธิ์การแสดงแบบไหนที่เป็นการแสดงไม่บริสุทธิ์ ซึ่งบางทีเราก็ทําได้ไม่ครบถ้วนเหมือนกันซึ่งถ้าจุดไหนที่มีความผิดพลาดไปก็นํามาขอโทษแล้วก็มาแสดงประกาศความผิดของตัวเองตรงนี้ในจึงจะมาบอกก่อนว่าไอ้ที่ถูกเนี่ยมันเป็นยังไงพระเจ้าตรัสรบท่านพระอุตายีที่อยู่ในกร้หัดมูใหญ่ท่านพระอุตายีกําลังแสดงธรรมอยู่บอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายที่พระเจ้ามาทําอยู่นี่เป็นของอยากบางทีก็ทํำตูตูผิด บางทีเราไม่ได้ตั้งไว้ซึ่งทำห้าอย่างนี้นะครับคนที่จะที่จะมาแสดงธรรมแก่ผู้อื่นได้เนี่ยต้องตั้งทำห้าอย่างนี้ไว้ในใจนะตั้งธรรมะหอย่างนี้ไว้ในใจทำห้าอย่างนี้เป็นอย่างไรนะคือการแสดงไปโดยลําดับนะการแสดงไปโดยลําดับนี่ก็มีผู้ที่ให้ความหมายว่าเออไม่ตัดรัดสั้นให้ขาดความนะแสดงไปตามลําดับนะลำดับก็ศีลสมาธิปัญญาลําดับกระทานศีลภาวนา อีกลำดับหนึ่งก็เรื่องของทานอา น, นิสงส์ของทานเรื่องสวรรคนะ์เรื่องโทษของการมเรื่องอา น, นิสงส์ของการออกบวชอย่างนี้ก็มีหนทะี่2ต้องตั้งไว้ในใจก่อนนาะก่อนจะเริ่มแสดงธรรมเนี่ยต้องตั้งไว้ในใจก่อนว่าเราจะแสดงอ้างเหตุอ้างผลนาะมีเหตุผลในการแสดงธรรมพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนาะถ้าไม่มีเหตุผลหนาะคนก็ไม่เชื่อหนาะไม่สามารถที่จะบอกต่อคําสอนนั้นได้ คือถ้าอยู่ๆสแสดงขึ้นมาโดยไม่อ้างเหตุอ้างผลเนี่ยอันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าเวลาเพราะคําสอนพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอยู่ในตัวเองตรงนี้คือความเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะข้อที่3ก่อนใครก็ตามาจะมาบอกต่อคําสอนถ้าผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะจะไปบอกว่าอันนั้นดีทําอย่างนี้สิทาอย่างนั้นสิเธอต้องตั้งสิ่ง5้าอย่างนี้ไว้ในใจด้วยนะอันที่3ก็คือต้องตั้งไว้ในใจว่าเราจะแสดงธรรมนี่เพราะอาศัยความเอนดู นะความเอ็นดูความการุณาในะที่หวังจะให้เขาพ้นทุกหวังจะให้เขามีความสุขหวังที่จะเขาหลุดจากปัญหาที่เขามีนะ่จึงให้ข้อมูลจึงบอกต่อธรรมะอันนี้คือข้อที่3านมะแล้วก็ที่4ก็คือความเป็นผู้ที่ไม่เพ่งอามิตแสดงธรรมก็คือว่าไม่หวังลาบสการะไม่หวังลาบสการะไม่หวังชื่อเสียงตงัวนี้แล้วข้อที่5นะก่อนการแสดงธรรมนี่ต้องตั้งใจเลยว่า เราจะแสดงธรรมไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นหนะมายความว่าคือไม่ยกตนข่มท่านนะไม่เสียสีผู้อื่นรนะต้องตั้งใจไว้5อย่างนี้นะเมื่อใครก็ตามนะตั้งใจไว้5อย่างนี้แล้วจึงค่อยแสดงธรรมกับผู้อื่นนะมันก็ไม่ใช่ของง่ายตัวข้าพเจ้ามาที่นี้เพื่อที่จะประกาศความจิดกับตัวเองเหมือนกันว่าบางทีก็ไม่ได้ทนะ่บางทีเรารีบๆมาบันทึกรายการนะมีความคิดตรงนี้ ก่อนจะเริ่มบันทึกรายการนะก็จะตั้งไว้ซึ่งทํา5อย่างนะบางไหนวันไหนลืมก็ไม่ได้ตั้งนะเพราะฉะนั้นเอามาอ่านให้ทานฟังฟังเนี่ยเพื่อช่วยกันตรวจสอบนะว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งแสดงทําขึ้นมานะเราเราฟังดูนะมันมีสิ่งเหล่านี้หลุดลอดออกมาไหมนะถ้าไม่มีก็ดีถ้ามีก็ช่วยกันบอกกล่าวบอกเตือนตัวข้าพเจ้าเองเป็นภิกษุในธรรมะไว้ในนี้ก็ต้องรับฟังคําักเตือนทุกคำขอรับหนักแน่นตัวท่านผู้ฟังเอง นะเอาจะเอาธรรมะของพริชาไปบอกต่อนะก็พึงตั้งไว้ในใจซึ่งของ5อย่างนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั้นะคือแสดงธรรมไปโดยลําดับนะไม่ตัดรัดให้ขาดความนะแสดงธรรมโดยอ้างเหตุผลแนะนะําให้ผู้อื่นเข้าใจนะั่คือการตั้งไว้ในใจก่อนนะตั้งไว้ในใจทําได้ทําไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนจะยังน้อยเราตั้งใจว่าเออฉันจะมีความเอ็นดูอาศัยความเอ็นดูจึงจะแสดงธรรมบางคนนาถามคําถามกวนะแล้วก็ป่นปวน มีท่าทางไม่ครบในการแสดงธรรมคุณก็อาศัยความเอ็นดูใน แ, แสดงธรรมให้เขาฟังนะหรือว่าไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังลาบสการะเสียงสรรเสิญเยื่ย น, นยอในะพวกอามิตรอย่างนี้ในะแสดงธรรมเพราะอาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดีอันนี้คือสิ่ง5้าอย่างในะที่พึงจะต้องตั้งไว้ก่อนนะก่อนที่จะมีการแสดงธรรมถึงกระนั้นก็ยังจะไม่ใช่ของง่าย คนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งฌานทั้ง4นะั่นคือเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมจิตได้นะสามารถเข้าสมาธิได้ทั้งเข้าทั้งออกนะด้วยความแคล่วคล่องชํานาญตัวนี้จึงจะเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งนะที่ทําให้ใครสักค น, คนหนึ่งเนี่ยมาตั้งไว้นะซึ่งทำห้าอย่างนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ได้นะํามาให้ฟังเมื่อวานนั่นะคือเรื่องของการสอนนะการบอกต่อธรรมะในะที่บริสุทธ หรือไม่บริสุทธิ์ในเรื่องการบอกต่อธรรมะที่เป็นการบอกต่อแบบบริสุทธิ์การบอกต่อแบบไม่บริสุทธิ์ก็มีนั่นคือธรรมะเนี่ยที่พระเช้าสอนไว้บอกไว้เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัตตาพร้อมด้วยเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสวยงามทั้งเบื้องต้นและท่ามกลางในที่สุดนะไม่ได้ประกาศไว้เพื่อหวังจะเป็นเจ้าลัทธิหวังจะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไป หรือชื่อเสียงสาการะหวังว่าจะให้คุณ่นเห็นว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะที่จะตั้งเป็นผู้นําเป็นเจ้าลทัทธิไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพพานนะซึ่งตรงนี้เป็นของที่บริสุทธิ์อยู่ลนะนักเพราะว่าก่อนที่จะมีธรรมะบุรุษธรมาประกาศมีธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในแคว้นมคตมาแล้วแต่ก่อนอันนี้เป็นคําที่ท่านสามบดีพรมได้กล่าวไว้ว่าทำอันไม่บริสุทธิ์ ธรรมะที่เป็นบนทินนะสิ่งที่เป็นอธรรมเนี่ยมีมาแล้วแต่ก่อนนะีขอให้พระชาติมาประกาศ ธ, ธรรมะสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างนี้เมื่อมาประกาศ ธ, ธรรมะที่บริสุทธิ์ทีนี้คนบอกต่อธรรมะคนบอกต่อธรรมะบางที่บอกต่อด้วยความไม่บริสุทธินะ์จับยัดไส้ก็มนะีหรือว่าแทรกแซงอะไรต่างตการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงกนะ็คือการแสดงที่หวังที่จะได้ราบสการะ นะหวังที่จะให้เขาแสดงความเลื่อมใสต่อเรานะต่อผู้แสดงนะคือถ้าคนอื่นฟังแล้วนะฟังธรรมของเราแล้วก็จะแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสอนี้เราจะยินดีพอใจการแสดงตรงนั้นเนี่ยไม่บริสุทธินะ์ก็ต้องมาเปรียบเทียบกันว่าการแสดงแบบไหนที่เป็นการแสดงที่บริสุทธิ์กนะ็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไปดีแล้วนะธรรมะตรงนี้นะอาศัยอะไรจึงแสดงตามข้อที่1ก็คืออาศัยว่า ใครท the ี well, co, kind of ่ฟังแล้วเนี่ยจะฟังแล้วร <Miller> ู้แล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เพราะอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมบันดีเนีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นนะข้อที่3ก็คืออาศัยความที่กรุณาเนี่ยจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นข้อที่4อาศัยความเอนดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นข้อที่5อาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น ใน5ข้อนี้นะข้อแรกนะอาศัยความที่เนะ ข, ข, ขาอาศัยความที่ธรรมนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าประกาศแล้วถ้าใครเนี่ยจะมารู้ตัวถึงธรรมนี้จะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้จึงแสดงธรรมนะรนีกงงึข้อที่2เพราะอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมบันดะีข้อที่3เพราะอาศัยความกรุณาข้อที่4อาศัยความเป็นดูข้อที่5อาศัยความมโนกราจึงแสดงธรรมการแสดงธรรมตรงนั้นเนี่ยการบอกต่อธรรมะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ บริสุทธิ์อันนี้ดีมากท่านผู้ฟังนะตัวข้าพเจ้าต้องยอมรับเลยนะขอประกาศความผิดว่าที่มาแสดงธรรมนี่ด้วยเหตุผลข้อเดียวนะคืออาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดนะีแล้วก็อีกข้อหนึ่งอาจจะได้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าธรรมะนี้พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนะเป็นของที่ปฏิบัติแล้วพึงจะเห็นได้ด้วยตนเองเป็นของที่ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกผู้อื่นเข้ามาดูวินิูฉุญจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นก่อนที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว อันนี้ข้าพเจ้ามาแสดงถามเพราะเหตุนี้แต่ว่าถ้าเรื่องของความที่คุนอื่นจะเพิงรู้ทั่วถึงและจะปฏิาบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี้ได้ไม่เต็มนนั้นด้วยอาศัยความกรุณาได้ไม่เต็มด้วยอาศัยความเอ็นดูด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ก็ได้ไม่เต็มคือไม่บริสุทธิ์ 100% ยเปอนถ้าเราจะนับดูก็ได้1ข้อครึ่งก็ประมาณ 30% ของจากห้าข้อนี้ดัง น, น, นั้นก็จึงมาบอกให้ฟังว่าถ้าจะบริสุทธิ์ 100% เนี่ นะตามที่ผู้เช่าตรัสเอาไว้ก็ต้องอาศัยความเป็นดูด้วยอาศัยความปรินาด้วยอาศัยความนุเคราะห์ด้วยอาศัยความที่ถ้าใครสักคนหนึ่งฟังแล้วจะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นด้วยในะการแสดงธรรมของผู้นั้นจะบริสุทธิ์เพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะไปบอกต่อธรรมะนะเราก็พิจารณาดูความไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นว่าเออจะหวังลาบสการะนหะวังเพื่อให้เขาแสดงความเลื่อมใสาอาจจะไม่มีนะตรงนี้อาจจะความไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มี คือไม่ใช่ว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ 100% อันนี้เราก็ค่อยทำเอาเนะีเพราะว่าการพึงทําไว้ในใจเนี่ยคือตั้งใจไว้ว่าจะทําแต่บางทีอาจจะยังทําไม่ได้นะีอาจจะพึงตั้งใจว่าเออเราจะอาศัยความเอนดูจึงจแสดงทําตั้งใจไว้อาจจะทําได้ไม่เต็มทําได้นิดๆหน่อยๆเน่ยนะทาได้ไม่เต็มก็คือหมายความว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็คือยังไม่บริบูรณ์นั่นเองในะบริบูรณ์ก็คือเต็มเปี่ยมขึ้นมา มันก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทําเอาตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันนอกจากนี้เมื่อวานนั้นเมื่อวานนี้ยังได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ this this, กล่าวตู่หรือการไม่กล่าวตูุ่ระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสถึงว่าคนที่กล่าวตู่เนี่ยเป็นยังไงคนที่ไม่กล่าวตู่เนี่ยเป็นยังไงคือคนที่กล่าวตู่พระรูชาเนี่ยก็คือกล่าวสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พูดว่าเป็นสิ่งที่พูดกล่าวสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ว่าบุระเจ้าไม่ได้ตรัสเอไว้ หรือตรงกันข้ามการที่ไม่ได้กล่าวตูก็คือการที่อันไหนบอกไว้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ในทีนี้คนที่กล่าวตูนี่ก็จะมีโทษเหมือนกันนะท่านผูฟังแลคนที่กล่าวตูกล่าวไม่ถูกกลับทำไม่เป็นเนี่ยบางทีก็ไปนรกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังนะไปที่ที่ไม่ดีคอยระวังในการที่ก่อนที่จะกล่าวเอาตรวจสอบซะกอ่อนอันนี้พระเจ้ากล่าวจริงไหม นะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยบางทีมันไม่ทั่วถึงแต่ถ้าองค์ความรู้บางทีของเราไม่ทั่วถึงนะเราก็อาจจะบอกต่อเท่าที่เรารู้ในการบอกต่อเท่าที่เรารู้พอเราศึกษามากขึ้นรู้มากขึ้นเอ้ยไอ้ที่เราพูดไปมันอาจจะผิดแฮะเรามีการกล่าวตูนิดนึงไอ้ที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะเราไปดินบอกว่าไม่ได้ตรัสไอ้ที่ไม่ได้ตรัสก็บอกว่าตรัสเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ ди, พอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นก็ไปแก้ไข น, นี่เห็นได้เยอะแยะท่านผู้ฟังในประวัติของครูบาอาจารย์นะที่ได้เคยระบุเอาไว้นะว่าเออเคยสอนผิดนะท่านก็ไปตามไปแก้ใหม่นะเขียนผิดท่านก็แก้ไขใหม่มายอมรับความผิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการการที่ในธรรมะไม่ไหนนี้เนี่ยพระเจ้าจึงมีอริยะประเพณีอันหนึ่งก็คือการให้มีกา ร, กอรขอเข้ามาในะการที่ให้มีการยอมรับผิดในะการที่มีการปรงอาบัตินะเพราะความผิดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในวิสัยของความเป็นสาวก ในวิสัยของความที่เราเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะอยู่อย่างนี้ก็เป็นตน้นพะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบางทีองคความรู้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะเราก็ควรจะต้องมาศึกษาตรงนี้ซึ่งทําให้มาถึงเรื่องที่ได้พูดถึงเมื่อวานนะี่คือการที่ความสามารถที่เราจะมีเพื่อพอเพียงนะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นหรือไม่นะความสามารถตรงนี้ก็คือสําคัญตรงที่ว่าองค์ความรู้ที่เราจะมนะีเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเนี่ย หลุดพน้นจากความทุกข์ได้หรือเราจะมีข้อมูลที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่จะให้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้หรือไม่แตพระเจ้าให้ข้อมูลเอาไว้6อย่างด้วยกันซึ่งแบ่งได้เป็น2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยสำหรับเพื่อตัวเองส่วนแรกนี้สําหรับเพื่อตัวเองส่วนที่2สําหรับเพื่อผู้อื่นแตพระเจ้าใช้หลัก6อย่างตัวนี้นะคุณจะทำห6อย่างตัวนี้ในการที่จะแบ่งหรือว่าตัดสินใจว่า ใครเนี่ยช่วยตัวเองได้ใครนี้ช่วยคนอื่นได้ด้วยนะหรือช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีนะคุณนตาม6อย่างนี้อันแรกก็คือว่าสามารถที่จะเป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนะคุณเห็นตรงนี้ปุ๊บออกคนนี้ตรงนี้เป็นกุลศลตรงนี้เป็นอกุลศลเห็นตรงนี้ปุ๊บอ่าเขาให้ทานกาันเราร่วมด้วยเห็นตรงนี้ปุ๊บ อ, อนบันะ น, น, นี้เป็นโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเราทําำในเห็นตรงนี้ปุ๊บนี้เป็นโอกาสที่จะฝึกเราให้มีกําลังเราก็ทําอันนี้คือข้อที่1นึข้อที่2 ก็เป็นผู้ที่มีธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมะที่ฟังได้แล้วก็คือฟังปุ๊บจําได้ในอะย่างพวกที่ยังมีอายุน้อยๆหน่อยอ ย, ยังอยู่ในช่วงต้นของชีวิตนะหรือในวัยกลางของชีวิตนะฟังธรรมะแล้วมันมันเข้าใจจําได้นะว่าเป็นชนะว่ายอย่างไรนี่คือคุณธรรมข้อที่2แต่คุณธรรมข้อที่3มก็คือว่ามีปกติใคร้รัรวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้แนละ้วก็คือจะไม่ใช่จําอย่างเดียวแต่มาคิดด้วย อย่างนกแก้วนกขุนทอเนี่ยเขาจำได้จริงอยู่ออกเสียงตามได้อยู่แต่ว่าไม่รู้เนื้อความนะข้อที่3นี่ก็คือว่ามาไข้ครุ่นเนื้อความได้นะแล้วก็ที่4ก็คือว่าไข้ครุ่นเนื้อความแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้อัตถารู้ธรรมะเนะือรู้ความหมายเบื้องลึกเนะือรู้ความหมายเบื้องต้นนะแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมสมควรกระทำนี่คือข้อที่4นะี่นือรู้แล้วก็ทําเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นะนี่คือข้อที่4คืออาจจะทําได้หรือไม่ได้ก่อนแต่ว่าเอาไปทํา การทำสำเร็จหรือไม่สําเร็จยังไม่รู้แต่เอาไปทําเอาไปปฏิบัตินะําปฏิบัติทําสมควรแก่ทําได้นี่คือข้อที่สนีะ่แล้วข้อข้อที่5เนี่ยมีวาจาที่ไพเราะนะ่ยพูดให้คําด้วยช้อยคําที่สละสลวยแจ่มใสชัดเจนนะสามารถที่ควายความให้รู้เรื่องได้คือผู้พูดภาษาคนรู้เรื่องว้างกันเนะนะแล้วข้อที่6กก็คือว่าสามารถที่จะชี้แจงชักจูงคนอื่นเนี่ยให้มีความกล้าหาญ มีความที่จะปฏิบัติตามธรรมะได้นั่นคือพูดให้คนอื่นเขามีกําลังใจขึ้นมาได้ว่ากันนี่คือธรรมะ6อย่างทีนี้ถ้าใครมี6อย่างนี้โอ้แน่นอนเลยพอเพื่อทั้งตัวเองพอเพื่อทั้งผู้อื่นนะทั้งตัวเองก็พอด้วยผู้อื่นก็พอด้วยทีนี้6อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีหมดนะหายไปบางอย่างก็ยังชื่อว่าพอเพื่อตัวเองและผู้อื่นได้อยู่นะหายไปบางอย่างนะก็อาจจะทําให้พอเพื่อผู้อื่นแต่ว่า ตัวเองไม่พอหายไปบางอย่างก็อาจจะทำให้ผู้อื่นไม่พอแต่ตัวเองพออย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้นะในหอย่างซ้อีกครั้งหนึ่งนั้นะแรกเป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนนะที่2เป็นผู้ที่มีทรงจาธรรมะได้ในนะที่3ใคล้ครวนเนื้อความที่ทรงจานั้นไดนะ้แล้วก็ข้อที่4นีะ่รู้อัถรู้ธรรมะนะเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนอีก2อย่างหนึ่ง นั่นคือการที่มีวาจาสละสลวยแจย่มใสชัดเจนพูดแล้วฟังรู้เรื่องนะแล้วก็ข้อถัดมาก็คือเป็นผู้ที่สามารถชักจูงคนอื่นให้ตั้งอยู่ในธรรมมีความอัดหัน ร, ร่าเริงในการที่จะปฏิบัติได้ในคุณธรรม6อย่างนีนะ้ถ้าเราจะแบ่ง6อย่างนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นเนี่ยพรุทธเจ้าได้ตรัสมาทั้งหมดทั้ง7จนัยยัดด้วยกันโดยการส่วนประกอบของ6อย่างนี้แบ่งออก7จลักษณะที่ทั้งสามารถช่วยตนเองได้ แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้บางทีช่วยตนเองได้ช่วยผู้อื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเรามาดูคุณธรรมที่จะทําให้ผู้ช่วยผู้อื่นได้ก่อนแนะใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้นะคุณต้องมีคุณสมบัติ2ข้อ น, นี้เป็นอย่างน้อยน้อยนั่นคือการที่มีวาจาไปหระการที่พูดจาแล้วคนอื่นเขาจะเชื่อได้มีความแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้คือผู้รู้เรื่องว่า ง, งั้นแล้วข้อที่2ก็คือสามารถที่จะชักจูงให้เขามีกําลังใจในการปฏิบัติได้ นะสองข้อนี้ต้องมีนะถ้าใครจะช่วยคนอื่นไดนะ้คุณต้องมี2ข้อนี้ทีนี้ถ้ามีครบทุกข้อเลยก็คือคุณก็สามารถช่วยทั้งผู้อื่นได้ช่วยทั้งตัวเองได้จนะเป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนะสามารถจําธรรมะได้มีปกติใคร่ครวญธรรมะเอาสิ่งที่รู้แล้วมารู้แล้วเนี่ยมาปฏิบัตนะิมีวาจาไพเราะมีการชักจูงใจคนอื่นได้6อย่างนีนะ้มีแล้วดีแน่นอนช่วยคุณอื่นช่วยตัวเองไดนะ้แล้วก็ถ้าอย่างน้อยๆที่ต้องมี Us, สําหรับการที่จะช่วยคนอื่นได้ก็คือการวาจาไพเราะการรู้จักที่จะชักจูงคนอื่น2อย่างนี้เป็นเป็นอย่างที่ต้องมีแล้วต้องมีอย่างอื่นเพิ่มด้วยนสําหรับคนที่จะช่วยคนอื่นได้อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าช่วยคนอื่นได้ถ้าเรามีคุณธรรมอีก2อย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั้นคือการที่มีปกติทรงจำธรรมที่เราฟังแล้วได้ถ้าเราทรงจำธรรมที่เราฟังแล้วได้อาจจะปฏิบัติได้ไม่ไม่ได้หรอก แต่ทรงจําได้แล้วเอามาบอกต่อได้นะ น, นี้ชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่พอนะตัวเองปฏิบัติไม่ได้นะแต่ยังช่วยคนอื่นได้โดยการนำธรรมะมาบอกต่อได้อันนี้ก็มีคนประเภทนี้เหมือนกันนะหรือถ้าตัวเองบางทีจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแถมยังฟังธรรมะทรงจำธรรมะได้แต่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็ชื่อว่าช่วยตัวเองไม่ได้นะแต่ว่าช่วยคนอื่นได้นะด้วยความที่ตัวเองมีวาจาเพเราะมีการชักจูงจําธรรมะได้ นอะอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมต่างหลายนะอย่างหรือ4อย่างนี้นะจะช่วยทำให้ช่วยคนอื่นได้แต่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ช่วยตนเองได้ในะอย่างน้อยๆเลยที่คุณจะต้องช่วยตนเองให้ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีปกติใคล้ครวนธรรมะนะที่ที่ทรงจำไว้อาจจะจำได้ยากความจาอาจจะไม่ดีแต่ที่จาได้เนี่ยเอามาใคลครวนซะ ปนะกติจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ที่จำได้มันก็มีใช่ไหมเอาที่จำได้นั่นแนหะไม่ใค ร, กร่กลวนเอาที่จำได้นั่นแหละมาปฏิบัติ2 อ, อย่างนี้จะทําให้คุณมีความเพียงพอกับตัวเองในการปฏิบัติแตนะถ้าเรามีความใคร่กรวลวนเนื้อธรรมที่เราทรงจําไม่ได้จําได้เท่าไหร่เาเท่านั้นแล้วก็ปฏิบัติได้อันนี้ดีนะตัวเราเองจะทําได้แต่ช่วยคนอื่นไม่ได้นะทีนี้ถ้าสมมติใครสักคนเดียวหนึ่ ง, งนะใค ร, รว่วนธรรมะตัวเองปฏิบัติได้แต่จําอาจจะจําไม่ค่อยได้ ่ไอ้ที่จาได้เนี่ยมอใคร่ครวนแล้วก็มีวาจาไพเาราะมีการชักจูงคนอื่นได้เนี่ยถามว่าจะสามารถช่วยคนอื่นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะช่วยตัวเองได้แต่สมมติเขาไปฝึกการพูดแล้วก็ามีวิธีการพูดแต่ก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เพราะว่ายังขาดคุณธรรมอีกข้อน่ น, น, นั่นคือความที่ทรงจำธรรมะที่ตนได้ศึกษามาเออถ้าเรามีความทรงจาได้ เราใคร่ครวนได้เราปฏิบัติได้เรามีวาจาไพเราะเราชักจูงคนอื่นได้ห้าอย่างนี้ต่างหากจะทําให้คุณสามารถช่วยทั้งตัวเองได้ช่วยทั้งผู้อื่นได้หรือบางคนนะจําได้แล้วก็ใคร่ครวนแล้วก็ปฏิบัติอันนี้ก็ชื่อว่าช่วยตัวเองได้นะถ้าจําไม่ได้ก็ไอ้เท่าที่จําได้เอามาใคร่ครวญ น, นั่นก็ชื่อว่าสามารถที่จะช่วยตนเองได้เหมือนกันอทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องตรงนี้ก็คือว่าไอ้ความจํา นะความจําที่เราสามารถทรงจำธรรมะที่ผู้ชอบประกาศไว้รวมกับวาจาที่ไพเราะนะมีวาจาที่เขาพูดแล้วคนอื่นฟังรู้เรื่องนะข้อที่4ี่ก็คือสามารถที่จะชักจูงคนอื่นให้กล้าๆเดินไปตามๆได้3อย่างนี้จะเป็นคุณธรรมที่สาหรับผู้อื่นนะช่วยเหลือผู้อื่นได้สําหรับตัวเจ้าของเองตัวเราเองนะก็ต้องมี2อย่างที่สําคัญนะคือความที่รู้จักใคร่ครวญธรรมะ เราก็รู้จักที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ถ้าใครมี5อย่างนะชื่อว่าช่วยได้ทั้งตนเองและผู้อื่นนะความที่เป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนี้ก็เป็นของแถมขึ้นมานะเป็นของแถมที่ถ้ามีก็ดีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนอกจากนี้ในเมื่อวานนี้ยังได้ให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของการที่ลิงนะตัวอย่างที่เราได้เคยพูดอยู่ในรายการอยู่เป็นประจําเรื่องของลิงที่ไปเที่ยว นะตามดินแดนที่ตัวเอง เ, อเป็นที่เดินเที่ยวไปของมนุษยนะ์มนุษย์นี้ก็มีในพรานเขากไปวางกำดักเอาไว้นะมีวางกำดักเอาไว้ลิงที่ไม่ฉลาดนะไม่รู้จกัก อ, อะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ไปติดตัง้งติดกัำดักของอในพรานแะลก็มีความเสียชีวิตนะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองประมาทนั้นเป็นเหตนะุแล้วก็ยกตัวอย่างถึงเรื่องของนกนกมูลไถนะ่ที่ออกจากที่เที่ยวหากินของตัวเอง นะไปถึงปุ๊บก็ถูกเหี่ยวโฉบขึ้นไปนั่นก็จึงเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยเกือบเสียชีวิต เ, เพื่อที่ต้องการจะสื่อสารให้ทราบว่าที่เที่ยวไปมีที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปก็มนะีถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้จะเป็นพระก็ตามจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามนะมีที่ที่เราไม่ควรไปเลยมีอยู่นั่นก็คือที่ที่เป็นมีการนะคือความต่างความสุขที่เกิดจากตาหู จมูกลิ้นกาย5อย่างนี้แต่เป็นที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความยินดีในกามคุณมีความยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคุณเชื่อว่าคุณเที่ยวไปในสิ่งที่เป็นอันตรายละคุณประมาทละออกจากที่อยู่ของพระอริยเจ้าแต่ถ้าเมื่อไรณที่เรามีสติระลึกถึงเราไม่ใจก็ได้มีสติระลึกถึงพระเจ้าก็ไ ด, มได้มีสติรักษาจิตอยู่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอ่านั่นก็คือจะมารวมลงที่สติปัฏฐานสี่ แลเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเที่ยวไปในที่ที่เที่ยวไปของพระบิดานั่นคือพระบุตรเจ้านตะ่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะวัอนออกตวันตกเดินทางต่างประเทศขึ้นขึ้นบิ น, นลงเรือแต่นะถ้าจิตคุณอยู่ในสติประฐานสีชื่อว่าคุณเที่ยวไปในที่เที่ยวไปของพระบุตรเจ้าลนะแต่ถ้าคุณอยู่กับบ้านอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในรัว้วอยู่ในสิ่งที่มีเครื่่่่่อออองงงงป้้กกันนยยยาาาาดดดีีีรรนะีีมมมมมททหรรบแตตจิิิุุวะส เพลิดเพลินทำให้เราเพลิดเพลินต่างๆหูจมูกลิ้นกายนะชื่อว่าคุณออกจากที่เที่ยวของพระชาล่ะคุณจะถูกมานได้โอกาสมารนี่มันแทรกซึมนะมันผ่านมาทางบุคคลต่างๆผ่านมาทัางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะวางกับดักอาไว้นถ้าเราไม่ฉลาดนะเหมือนลิงที่โง่เนี่ยก็จะถูกในายพรานแทงเข้านะมันเอามือจับปุ๊บมือมันติดกับดักติดกาวเหนียวเอามือข้างหนึ่งจะไปช่วยกก็ติดอี สุดท้ายติดทั้งสี่ขาจะเอาปากไปช่วยปากก็ยังติดมันก็ึกระดึกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายในพรานมาเสียบมันเข้าที่อกยกขึ้นไม่ปล่อยไปไง่ายงเหมือนกันถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ทำงานเดินทางอยู่ให้ระวังระวังตาหูจมูกลิ้นกายระวังในสิ่งที่ที่มันเป็นวิสัยของมานนะถ้าเราเข้าไปสู่อ่การตรงนีนะ้ชื่อว่าเข้าไปสู่วิสัยขอยงมานละ บางทีเราอาจจะโดนมันจัดการได้นะเราระวังกับดักของเขาจะทํำไงไม่ให้อยู่ในกับดักนีนะ้เราไปไหนก็ตามให้เรามีสตินะมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในเวทนามีสติอยู่ในจิตมีสติอยู่ในธรรมเรนะาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะป้องกันตัวเองจากหมานได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุอนภะิปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร